สามอ น, านทถเถระสูตรว่าด้วยพระอนาถเทระหนึ่งพันเาสมัยหนึ่งท่านพระอนาลและท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระอนาลถึงที่อยู่ ได้สนทนาปลาศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ถามท่านพระ อ, อนนท์ดังนี้ว่าท่าน อ, อนน์เพราะละธรรมเท่าไรเพราะประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หมู่สัตว์นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตา มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าท่านพระ อ, อนุนตอบว่าผู้มีอายุเพราะละธรรมสี่ประการเพราะประกอบด้วยธรรมสี่ประการหมู่สัตว์นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จโพธิในวันข้างหน้า ทำสี่ประการอะไรบ้างคือปุตุชนผู้ไม่ได้สดับหนึ่งประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสเช่นใดในพระพุทธเจ้าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระพุทธเจ้าหามีแก่ปุตุชนนั้นไม่ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเช่นใดในพระพุทธเจ้าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเช่นนั้นในพระพุทธเจ้าย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า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 หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนารกความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระสงฆ์หามีแก่ปุตุชนนั้นไม่ส่วนอริยสา ว, วกผู้ได้สดับประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวเช่นใดในพระสงฆ์หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์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 ความเป็นผู้ทุศีนนั้นหามีแกปุถุชนนั้นไม่ส่วนอริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีนที่พระอริยะชอบใจเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ศีนที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเช่นนั้นย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นอาวุโส เพราะละธรรมสี่ประการนี้เพราะประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้หมู่สัตว์นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าอานันทเทระสูตรที่สามจบ